จิตที่เป็นตัวภวังขจิตนี้เมื่อยังอยู่เฉยๆท่านก็เรียกว่าผวังขจิตเป็นตัวเดิมเป็นองค์ประกอบของชาติภพ เพือเป็นตัวตั้งของชาติพพแต่ว่าจิตนี้ที่อาศัยกายนี้อยู่ของทุกๆคนก็อาศัยกายนี้เองน้อมออกรูปรู้รูปทางตารู้หู รู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผดทัปพระสิ่งถูกต้องทางกายรู้ธรรมะคือเรื่องราวทางมโนคือใจอาการที่จิตอาศัยกาย คืออา จ, จะตะนะมีตาหูเป็นต้นน้อมออกรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวนี้เรียกว่า น, นามแปล ว, ว่า น, น้อมเหมือนอย่างมือมื อ, อยังไม่หยิบจับอะไรมือก็วางอยู่เฉ ย, เฉย แต่เมื่อจะหยิบจับอะไรก็เอื้อมมือออกไปหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อหยิบจับเสร็จแล้วก็กลับมาวางมือไว้เฉยๆจิตก็เหมือนกันก็เป็นะวังขจิตและก็เอื้อมออกรู้ดังกล่าว เช่นเมื่อมีรูปมาประจวบกับตาจิตนี้ก็น้อมออกรู้รูปดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวนามราะฉะนั้นหน้าที่ของนามนั้นเมื่อจิตน้อมออกรู้เรื่องคือรู้รูปเป็นต้นดังกล่าวนั้น ทีหนึ่งก็เสร็จหน้าที่กลับมาเป็นผวังใหม่และเมื่อรูปมากระทบมาประจวบกับตาอีกจิตนี้ก็นอบ อ, อกรู้อีกเสร็จแล้วกลับไปเป็นผวังใหม่ทางหูเป็นต้นต่อไปก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น จิตนี้จึงมีอาการที่เป็นนามคืนน้อมออกรู้ดังนี้อยู่ตลอดเวลาและก็กลับมาสูภวังซึ่งเป็นต้นเดิมนั้นทุกเรื่องไปเพราะฉะนั้นอาการที่ จิตน้อมออกรู้ที่เป็นตัวนามนี้จึงมีมากมายช่วระยะเวลาเดี๋ยวหนึ่งถ้าหากพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าจิตเอื้อมออกรู้ น้อมออกรูรูปบั่งเสียงบัางเป็นต้นมากมายหลายสิบหลายร้อยเพราะฉะนั้นนามนี้จึงเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นและดับไปอยู่มากมายหรือเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนอย่างเอื้อมมือออกไปหยิบแล้วก็กลับวางมือไว้ใหม่แล้วเอื้อมมือออกไปหยิบแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังนี้มากมายถ้าเป็น การเอื้อมมือออกไปแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังกล่าวนั้นก็ต้องเอื้อมมือไปและนํามือกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นกลางหันน้ําก็เหมือนกันจิตที่น้อมออกไปดังนี้รวดเร็วเป็นกังหัน ในกังหันนั่นเมื่อกังหันหมุนคนมองไม่เห็นซี่ของกังหันจิตก็เหมือนกันที่น้อมออกไปรับอารมณ์แล้วกลับเข้ามาน้อมออกไปรับอารมณ์กลับเข้ามานั้นรวดเร็วเป็นกังหันหรือยี่ยวยิ่งกว่ากังหันนี่คือนาม และเมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้วก็จะเห็นว่านามคืออากาศของจิตที่เอื้มอมบอกรับคือรูปรูปรู้เสียงเป็นต้นทางตาทางหูเป็นต้นนั้นมากมายนี่คือนามรูปนั่นเรากอ ตั้งต้นแต่รูปประกายที่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตคือรูปประกายที่ประกอบขึ้นดนธาตุประกอบด้วยอาจตนะเหล่านี้อันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นตัวต้นเดิมที่เป็นมวังของจิตดังกล่าวนั้น สิ่งที่จิตนี้น้อมออกรูปดังกล่าวก็คือรูปเสียงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพทพธะสิ่งถูกต้องในธรรมะคือเรื่องเราที่มาประจวบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง นี้คือรูปก็คือเป็นรูปเรื่องที่จิตน้อมออกรู้หรือที่นามน้อมออกรู้เพราะฉะนั้นตัวรูปเรื่องนี้ จึงเป็นสิ่งที่คู่กันไปกับน้ำรูปเรื่องมากเท่าไรน้ำก็มากเท่านั้นคู่กันไปและรูปเรื่องที่คู่กับน้ำนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องจึงมายอเขาแล้ว ก็เป็นอารมณ์6อารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลพระสิ่งที่กายถูกต้องคือธรรมะเรื่องเหล่านั่นเองก็มีมากมายคู่กันไปกับนามรูปเรื่องเหล่านี้แหละคือตัวรูปนามก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู้ เรียกง่ายๆว่าคือความคิดความรู้ตัวความคิดความรู้นี่แหละคือตัวนามสิ่งที่จิตนี้คิดที่ทจิตนี้คิดรู้นี่คือรูปคู่กันไปอยู่ดังนี้เราฉะนั้นเมื่อพิจารณามาถึงดังนี้แล้วก็มาถึงนามารูปหัดดูนามารูป คือหัดดูจิตนี้ที่น้อมออกรู้รูปเรื่องทั้งหลายก็คือความคิดความรู้นั่นเองความคิดความรู้นั้นก็ต้องต้องมีสิ่งที่รู้ที่คิดสิ่งที่รู้ที่คิดนั่นแหละก็คือรูปเป็นรูปเรื่องต่างๆและความรู้ความคิดนั่นก็คือตัวห น, นับ เพราะฉะนั้นเมื่อดูเคื่อไปที่จิตจน ถ, ถึงดังนี้จึงจะพบนา ม, มารูปก็พบนา ม, มารูปกิดตัวความรู้ความคิดความรู้ความคิดเป็นนามสิ่งที่รู้ที่คิดเป็นรูปและเมื่อดูให้รู้จักนามรู้จักรูปดังนี้ก็จะเห็นว่านามรูปนี้เป็นไป อยู่ในรูปเรื่องทั้งหลายร้อยแปดพันเ้าช่วงเวลาประเดียวเดียวชั่วเวลาประเดียวเดียวก็มากมายจิตนี้จึงไม่มีเวลาพักผ่อนต้องวิ่งออกไปกลับเข้ามาวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปนี้และมือวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูป ก็คือนามรูปทั้งปวงนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับนามรูปอันหนึ่งเกิดนามรูปหนึ่งดับนามรูปอันหนึ่งเกิดดับนามรูปอีกทนันหนึ่งก็เกิดดับเกิดดับอยูด่ ด, ดังนี้ช่วเวลาละเดี๋ยวดีก็เกิดดับอยู่มากมายนี่คือนามรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้รู้จักปัจจุบัน คือให้รู้จักนามรูปปัจจุบันที่เกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้จึงจะเห็นความเกิดดับและเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วความยึดถือก็เกิดไม่ทันเพราะว่าดับไปแล้วจะยึดอะไร ที่ยังยึดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นเกิดดับหรือว่าเห็นแต่เกิดแต่ไม่ดับคือเห็นตั้งอยู่ซึ่งความตั้งอยู่นั้นก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับถ้าไม่ตั้งอยู่ก็จับพิจารณาไม่ได้แต่นี้เพราะมีตั้งอยู่ ยังดวดความตั้งอยู่ได้แต่ก็เห็นความตั้งอยู่นั้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็เป็นไปอยู่ดังนี้แต่การที่จะเห็นเกิดดับดังนี้ได้ก็จะต้องมีสติคือความตั้งสติกำหนดลงไปให้แน่วแน่ แล้วเมื่อสติเกิดไม่ทันกำหนดไม่ทันปัญญาก็เกิดไม่ทันเมื่อสติปัญญาเกิดไม่ทันอุปราทานก็เข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมีน่วงคิดถึงอดีตหวังไปในอนาคตถึงความจริงนั่นสิ่งที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงตามเอ็พุทธญาตรัิสอนเอาไว้เพราะฉะนั้น จึงยังยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นตัวเราอาดีตก็ตัวเราอนาคตก็ตัวเราปัจจุบันก็ตัวเราจึงไม่เห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงวิปัสสน า, านญาณนปะิญญาท่านก็เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติกำหนดให้รูปให้เห็นนา ม, มารูปดังกล่าวนี้ให้เห็นเกิดดับตามเป็นจริงนั่นแหละนี่แหละเป็นตัววิปัสสนาญาณหรือเป็นตัวญาติศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมั ส, สการประภูมิประภาคอรหันตส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ รอมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจจใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภะกกวา ในความหมายว่าภูมิการไปคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในพบทั้งสามอันคายแล้วคือวันละได้แล้วนำ พระพุทธคนบทนี้มีความหมายอิงพระยันชนะคือถ้อยคำของบทรพระภกว w อีกในยะหนึ่งดังกล่าวจึงนำให้ ระลึกถึงจิตที่เป็นจิตเดิมเป็นธาตุรู้เดิมที่เรียกว่าผวังขจิตจิตที่เป็นองค์อวัยวะ หรือองค์ประกอบของพพดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีกายและจิตประกอบกันอยู่คือจิตที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นต้นเดิม ของความคิดความรู้ทั้งหลายและเพราะเหตุที่ธาตุรู้นี้ยังมาประกอบอยู่กับกายเริ่มแต่ชาติคือความเกิด คถึงมรณะคือความตายธาตุรู้ที่เป็นจิตเดิมนี่หรือที่เป็นหวังขจิตนี่ก็เคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายนี่ไปถือ พ, พบชาติใหม่ ในเมื่อยังมีตันหาคือกิเลส จ, จึงยังมีการไปไปในภพทั้งหลายที่เป็นกามภพ บ, บพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างเพราะฉะนั้น เมื่อจิตนี้หรือเมื่อธาตุรูน้นี้ยังมีกิเลสคืออาสวะกิเลส ท, ที่ดองจิตอนุสัยกิเลส ท, ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตจึงเป็นจิตที่มีชาติมีพบ อยู่ในปัจจุบันและจะมีชาติพบสืบต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงละตันหาคือความลิ่นรอนทยานอยากทั้งปวงได้ละการไป คือตัญหาดังกล่าวได้ในภพทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงทรงสิ้นชาติสิ้นภพที่ได้ในบทว่าภะวานี้ที่แปลว่าภูมิการไปคือตัญหาในภพทั้งหลายอันขายเสียแล้วขายได้แล้ว ละได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงมาถึงการปฏิบัติทมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงคายคือละการไป คือตันหาในภพทั้งหลายได้แล้วทรงสั่งสอนไว้ก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติคายคือละตันหาอันเป็นเหตุให้ไปในภพทั้งหลายเสียเพราะฉะนั้น จึงมาถึงการปฏิบัติทางจิตซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับว่าจะต้องปฏิบัติหักใจดับใจหรือหักกิเลสดับกิเลส ด้วยการที่ดับตัวเราดับตันหาอุปาทานดับนามารูปที่ประกอบด้วยตันหาอุปาทานซึ่งทั้งหมดนี้ ก็รวมอยู่ในจิตนี้เองเพราะเมื่อไม่ปฏิบัติดับตัณหาอุปาทานก็ก่อตัวเพิ่มเติมอาสวะอนุสัยในจิต ก่อตัวเราของเราให้ใหญ่โตเมื่อรวมเข้ามาทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ใจนี้เองตัณหาอุปาทานก็อยู่ที่ใจนามารูปก็อยู่ที่ใจ ว่าเราก็อยู่ที่ใจและไปกับใจและใจด้วยจิตนี้ดังที่เด็กกล่าวแล้วว่าน้อมไปรู้รูปเรื่องทั้งหลายหรืออารมณ์ทั้งหลาย เป็นนามและรูปเรื่องทั้งหลายที่น้อมไปรู้นั้นก็คือรูปรวมอยู่ในคำว่ารูปแม้ว่าจะตั้งตนมาจากรูปจริงๆเช่นรูปผิดตาเห็นเสียงที่หูได้ยิน แต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในใจก็ไม่ใช่ว่าเอารูปเอาเสียงข้างนอกนั่นมาใส่ไว้ในใจอันที่จริงเอารูปเรื่องคือว่าเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเอง คือเอาเรื่องแต่เพื่อให้คำสัมผัก์กันกับรูปจึงใช้คำว่ารูปเรื่องซึ่งคำว่ารูปนี้ใช้หมายถึงคำว่าเรื่องหรือธรรมะที่เป็นชื่อ ไม่มีรูปสันฐานที่ยืมเรียกวันนามธรรมาอย่างเช่นปิยรูปรูปเป็นที่รับก็หมายถึงตั้งแต่ที่เป็นรูปเสียงจริงๆมาจนถึงนามธรรมาอันหมายถึงว่า เป็นธรรมะที่ไม่มีรูปเช่นวิญญาณสัมผัสเป็นต้นจนถึงตันหาวิตกวิจาร์เหล่านี้ก็เรียกว่าปิญรูปรูปเป็นที่รักสาตรรูปรูปเป็นที่พอใจ ก็คือรูปเรื่องที่ตั้งขึ้นในใจนั่นเองเพราะว่าการที่ใจหรือจิตนี้จะคิดจะนึกจะรู้ในเรื่องอันใดเรื่องอันนั้นก็จะต้องปรากฏเหมือนอย่างมีรูปรา่าง ขึนในใจดฉะนั้นจึงเรียกเอาสิ่งที่ไม่ใช่รูปนี้ว่าเป็นรูปไปด้วยคือเป็นรูปเรื่องที่ตั้งขึ้นในใจเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ในใจอันนี้เรียกว่ารูปนามก็คือความที่จิตที่เป็นตัวเดิม ที่เป็นหุบภะพวังกจิตนั้นน้อมออกไปรูปรูปเรื่องทั้งปวงเหล่านี้ความน้อมออกไปรูปของจิตนี้ก็ดังที่ได้เปรียบแล้วว่าเหมือนอย่างที่น้อมแขนออกไปคือเอื้อมแขนออกไปหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วก็ นำแขนกลับเข้ามาจิตที่น้อมออกไปรู้รูปเรื่องทั้งหลายดังกล่าวนั้นออกไปแล้วก็กลับเข้ามาเมื่อกลับเข้ามาก็มาเป็นผวังขจิตและเมื่อน้อมออกไปก็เรื่อเป็นวิถีจิตจิตที่เป็นไปในวิถีคือในการ เดินทางออกไปรู้รูปเรื่องต่างๆและหากจะพูดว่าความที่กิตน้อมออกไปรู้รูปเรื่องต่างๆเป็นนามดังนี้ก็ยาวเรียกสั้นเข้ามาจึงเรียกว่าเป็นความรู้ความคิดต่างๆ ที่ทุกคนเมื่อคิดเมื่อรู้ก็ยอมรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรากำลังคิดเรากำลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วะฉะนั้นเมื่อพูดอย่างสั้นๆเข้ามาก็คือตัวความรู้ความคิดนี่แหละเป็นนามและเมื่อมีความรู้ความคิดก็จะต้องมีว่า รู้ซึ่งอะไร